ท่านเหล่านั้นมีทย า, ายาศัยน้อมไปเพื่อดับรูปน้อมไปเพื่อดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารและดับวิญญาณท่านเหล่านั้นน้อมไปเพื่อดับชราและมรณะเพราะท่านจึงช่วยกันปกปักรักษาคำสอนที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดเพื่อดับชราและมรณะเพราะผู้ที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติถือเอาคาสอนเป็นสารานั้นจึงคู่ควรที่จะผลทุกที่นี้ถ้าหากว่าศึกษาให้ดีๆเนี่ยนะ ถ้าไม่ศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติตามคําสอนไม่มีทางอื่นรอกที่จะพ้นไปจากทุกเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าโฆษณาเป็นการหลอกลวงกันไปเท่านั้นเองเพราะจะไม่สมเหตุสมผลและจะไม่คู่ควรแก่การพ้นทุก์ถ้าไม่ศึกษาและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียวกว่าพุทธาสาวกคือผู้ฟังแล้วปฏิบัติตามหรืออนุพุทธผู้ที่จะตรัสรู้ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะาศาสดาเนี่ยเปรียบเหมือนอย่างว่า แสงสว่างเล็กน้อยในโลกนี้ยางมากก็สว่างตามดวงอาทิตย์จะส่องให้มันดียังไงก็ดีเท่ากับที่อย่างที่ดวงอาทิตย์สอดส่องเอาไว้ฉันใดปัญญาของบุคคลทั้งหลายก็เป็นปัญญาเล็กปัญญาน้อยเป็นไม่ได้มีปัญญากว้างขวางเช่นกับพระพุทธเจ้าฟันกิจที่สำคัญก็คือว่าจะศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนได้อย่างไรเนี่ยนะทีนี้ส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยนะเป็นโอวาทที่สามเนี่ยนะ โอวาทที่สามว่าไปแล้วนะต่อไปโอวาทที่สี่ว่าสงจงลงพรหมทาธนแก่ชันนภิกษุโดยล่วงไปแห่งเราหมายความว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วให้ลงพรหมทานแก่พระฉันนะพระนนก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมาธนนั้นเป็นไงนะหมายพรหมมาธนก็ว่าโทษโทษของผู้ประเสริฐเนี่ยนะเป็นการลงโทษทันดะตัวนั้นแปลว่าการลงโทษพรมก็คือประเสริฐ เป็นการลงโทษอย่างประเสริฐสูงสุดเนี่ยคืออย่างไรพระองค์ตรัสว่าฉันนะพิษุเนี่ยนะพระภิกสุรูปอื่นๆเนี่ยฉันนะพิกสุถ้าหากว่าเธออยากพูดอะไรก็ให้พูดไปพูดอย่างที่ใจเธออยากพูดภิกสุทั้งหลายไม่ต้องไม่ต้องกว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องโอว่าไม่ต้องสั่งสอนเขาอยากทําอะไรก็้าไปเข้าไปอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการลงโทษอย่างสูงสุดแล้ว เนี่ยนะครับว่าเป็นการลงโทษแหมมันจะอะไรจะหนักขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าก็จริงอย่างนั้นนะท่านนนเนี่ยไปบอกพระชนนะว่าอตอนนี้สงลงพรหมมาท่านแก่ท่านแล้วนะบอกพรหมมาท่านคืออะไรก็คือท่านอยากพูดอะไรท่านก็พูดมันสงไม่ต้องโอวาทแนะนําสั่สงสอนท่านอยากทําอะไรก็ทําตามสบายเป็นลมเลยเนี่ยนะพระชนะเป็นลมเลยนะท่านรู้เลยสลบเลยเนี่ยนะฟื้นมานี่แหมท่านทุกข์มากตอนหลังท่านก็มาปฏิบัติเนี่ยนะ ตอนหลังเนี่ยท่านก็ปฏิบตัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พอเป็นพาาาระอรหันต์นั่นแหละพรหมทันของท่านจึงพลนไปเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีมณะมากเพราะอะไรเพราะท่านถือว่าท่านเนี่ยคือคนที่บวชออกบวชนะติดตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ออกบวชคนเหล่าอื่นมาทีหลังทั้งนั้นแหละ พระษารีบุตรก็มาที่หลังพระหมุกขลานะพระมหากระสปะใครก็ช่างเถอะมาทีหลังท่านเนี่ยเป็นตั้งกับเพื่อนสหายเล่นฟุ่นอยูอ่าราชวังเป็นอํามาตะคนใกล้ชิดติดตามวันออกบวชก็บวชมาด้วยหลังจากนั้นก็บวชติดตามอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนอื่นมาที่หลังทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดอะไรไม่ต้องมาแนะนําตักเตือนไหนไหนก็ไม่ต้องการให้ใครบอกพระองค์ก็เลยส่งเลยบะเออไม่ต้องใครไปตามบอกเขานะเพราะเขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็แทบจะเป็นลมสลบเลยนะเป็นลมไม่ใช่แทบเลยเป็นลมสลบไปเลยน่ะนะนั้นใครที่เรียกว่าผู้ที่มีความรอบรู้ในพระธรรมคําสอนเนี่ยนะไม่แนะนําตักเตือนนี่ก็ถือว่าถูกเชือดแล้วล่ะเนี่ยน ะ, ะคำว่าเรียกว่าเป็นการฝึกในศาสนานี้การฝึกในศาสนานี้มีเรียว่าสอนแบบรุนแรงสอนแบบละมุนละม่อมทั้งรุนแรงบวกกับละมุนละม่อมกับฆ่าทิ้งในพระในวินัยของพระรียเจ้าสอนแบบที่เรียกว่า ะละมุลละม่อมก็สอนแต่เรื่องดีอย่างเดียวทำดีทำอย่างนี้กายสุจริตปฏิบัติอย่างนี้วจีสุจริตปฏิบัติอย่างนี้มโนุสุจริตปฏิบัติอย่างนี้จงเจริญสิ่งนี้สิ่งนี้มีคุณานิสงมีประโยชน์อย่างนี้ปฏิบัติตามเธออันนี้เรียก ว, ว่าสอนแบบละมุลละมอ่อมแบบแหมอ่ อ, อนโยนมากกับอย่างที่สองก็บอกว่าแหมสอนแบบรุนแรงเนี่ยนะเผ็ดร้อนก็คือบอกว่าไอ้เผ็ดร้อนไม่ใช่ไปด่าเขานะแต่บอกว่าทุถ้าเธอทำทุจริต วิบากแห่งทูตจริญทั้งหลายเป็นเช่นนี้เช่นนี้วิบากในปัจจุบันเป็นเช่นนี้วิบากในสัมปรายพุเป็นเช่นนี้ถ้าทำชั่วมีโทษอย่างนี้มีโทษต่อตนอย่างนี้มีโทษต่อผู้อื่นอย่างนี้มีโทษทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นไปเพื่อทำลายข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นไปเพื่อไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเช่นนี้เช่นนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าสอนแบบเขาเรียกว่าเผ็ดสอนแบบดูเดือดแล้วว่างั้นแบบแม้หนักนวง รุนแรงเนี่ยนะสอนแบบรุนแรงบางทีบางคนก็ต้องสลับควบคู่กันไปส่วนบางคนที่สาอากล่มสุดท้ายเนี่ยไม่รู้แค่ว่าเปิดคัมภีร์ไหนสอนก็ไม่ได้ไม่รู้จะเปิดคัมภีร์ไหนสอนต้องเงียบอย่างเดียวเลยนะอันนี้พูดถึงตรงนี้กันนึกถึงกันนะบางทีของมาเองก็เคยเหมือนกันนะอุ้ยนึกถึงนั่งพะไตรปกมีทั้งเป็นตู้ๆนะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะเงียบเนี่ยนะขอมาเงียบกวเป็นนะอย่าคิดว่าพูดเป็นอย่างเดียว น, นะนะเคยเงียบบ่อยเหมือนกัน ปกแทบจะปกติเนี่ยนะพันบางกลุ่มเนี่ยเป็นลักษณะนั้นจริงๆไม่รู้จะไปสอนว่าอะไรไม่รู้จะไปพูดว่าอะไรเก่งจังเลยว่างั้นเธอรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะบางรู้อะไรก็รู้เพราะเจอไงเนี่ยนะรู้ตรงกันข้ามกับคําสอนรู้โดยที่ไม่พยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนแสดงว่าเป็นลูกหลานพระชนะตอนที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยนะแต่พระชนนะท่านยังมีสามัญญาสำนึกมีมโนสํานึกมีจิตตสานึก สามัญยสํานึกสมณนสัญญามีสัญญาที่รอบรู้ในคุณของพระตนะไตเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้ที่มีหิริอตตปะอย่างแรงกล้าจึงเป็นผู้ที่คู่ควรที่จะตรัสรูม้มรรคผลนะแทงตลอดพระนิพพานมันถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเมียทยาสายที่เรียกว่าคําสอนเข้าไม่ถึงใจเราเนี่ยนะะแสดงว่าหนักหนาสาหัสหนักมากเนี่ยนะคู่ควรแก่กรุณาเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยใหม่เนี่ยได้ข่าวว่าไก่ถูกเชื้อเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้ทำอะไรเลยเนี่ยนะใจของเราห่างคําสอนเลอกเกิน น, นะนะจะไปไหนเนี่ยนะพวกนั้นแหละจะเป็นบรรพบุรุษของเราต่อไปเนี่ยไม่ไม่ได้ครูไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรนะเล่าให้ฟังมาเออเนี่ยถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจะไปไหนก็ไปส่วบายทุกขติวินิบาตแต่เมื่ อ, อไรเนี่ยนะบอกว่าชาตินี้มีสาระปลอดภยัยอาชาติหน้านับถือใครแล้วกันเะนี่ยเออ คิดหรือว่าชาติน่าจะนับถือพระพุทธเจ้าอีกสามชาติร้อยชาติกางหน้าจะนับถือใครเพราะในระหว่างนี้ถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่มีการบรรลุในระหว่างอย่างเด็ดขาดผู้ที่จะบรรลุในระหว่างพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจากองค์หนึ่งก็คือพระประเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบรรลุในระหว่างบุคคลอื่นจะไม่มีการบรรลุในระหว่างเมื่อไม่บรรลุในระหว่างจะไปไหน จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งจากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งจากอุบัติหนึ่งสู่อุบัติหนึ่งจากวิญญาณทิติอย่างหนึ่งสู่วิญญาณทิติอีกอย่างหนึ่งจากสัตววาทหนึ่งสู่สัตววาทหนึ่งเขาแบ่งเป็นสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยนะมันเลยไ้ระดับสูงก็หายากเพราะอะไรก็ดูจากคุณธรรมทั้งหลายจะไปไหนคระนี้เพะฉันถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในคําสอนเราก็คู่ควรกับการ สงสารเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะท่านก็ในยิ่งในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยในยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเราใช้ถ้ า, ถาเปรียบเหมือนว่าคําสอนในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงประทีป ท, ที่มีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าองค์คือดวงอาทิตย์ที่เป็นสุดยอดของแสงสว่างนั้นก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าล่วงลับดับขันปรินิพานถ้าเราไม่ถือเอาแสงประทีปแห่งธรรมถือเอาคําสอน เ, นเป็นเป็นสิ่งที่นําหน้าเราไป นำหน้าทั้งกายกรรมนำหน้าทั้งวจีกรรมนำหน้าทั้งมนโนกรรมถ้าไม่ถือเอาคําสอนเหล่านี้นําหน้าโดยกายวาจาใจโดยวิถีชีวิตเช้าสายบ่ายค่าเนี่ยนะกลางวันและกลางคืนโดยวันโดยเดือนโดยปีโดยไวัยถ้าไม่ถือเอาคําสอนเป็นที่ไปในเบื้องหน้านําหน้าปฏิบัติตลอดอย่างนี้เนี่ยนะเราเองก็ชื่อว่า ปฏิบัติอยู่ในวิสัยแห่งมารทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในวิสัยแห่งมารก็คือขันธมานก็พาไปสู่ชาราและมรณะกิเลสมานก็นําไปสู่ชาดเนี่ยนะก็ชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานและอุปาญาต้น้ําตาก็จะท่วมท่วมอะไรท่วมโลกว่างั้นนั้นน้ําตานี้จะท่วมโลกกระดูกกองโตกว่าแผ่นดินอีกเพราะอะไรเพราะ การเวียนไหวตายเกิดเนี่ยนะของผู้ที่ไม่ปฏิบัติเจริญอริยมรรคจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคก็บรรลุเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีและเป็นพระอรหันต์ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อบรรลุเป็นพระเริยเจ้าไม่ได้เนี่ยนะจะไปไหนเนี่ยนะฟังผู้ที่จะปฏิบัติบรรลุตามพระบรรลุเป็นพระเรียเจ้าได้บุคคลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติตาม โอว่าตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าแม้สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นมีพยานไหมมีตัวตนคนที่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรือไม่เข้าถึงคําสอนของพระองค์จริงหรือพันในข้อ142จึงกล่าวต่อไปว่าลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเนี่ย ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใครคือภิกษุประมาณห้าร้อยรูปที่อยู่ในวงม่านเรียกว่าเป็นเรียกว่าคนในเนี่ยนะแบบเป็นหัวหน้าเป็นขสังขไทระที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะใหญ่เนี่ยนะรวมกันอยู่ภายในม่านประมาณห้าร้อยรูปซึ่งห้าร้อยรูปเหล่านั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสยัยความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าความสงสยัยความเคลือบแคลงในพระธรรมความสงสยัยความเคลือบแคลงในพระสง ความสงสัยหรือเครือบแคลงในมัดทั้งหลายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานหรือสงสัยในข้อปฏิบัติพึงมีแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพวกเธอจงถามเธอดอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเรายังนี่อาจจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะที่ประพัก เ, เฉพาะพระพักเฉพาะหน้าเนี่ยนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโอกาสให้แก่พระพิสุทข์ทั้งหลายเนี่ยนะคือคําว่าสงสัยเนี่ยนะหมายความว่าไม่แน่ใจเนี่ยเออพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงหรือก็หมายความว่ามีส่วนไหนที่เธอทั้งหลายเครือบแคลงในองค์พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่น่ากินแหนงแคลงใจมีพฤติกรรมทางกายบางอย่างที่น่าสงสยัย หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยมีวจีกรรมที่ยังเครือบแคลงหรือมีมโนกรรมมีพฤติกรรมเหล่าใดสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีไหมถ้าสงสัยถามเถอะอย่าเสียใจในตอนหลังนะแหมเสียใจรู้อย่างเงี้ยถามก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานทั้งหมดเรื่องก็บอกว่าไม่ถ้าสงสัยถามตอนนี้เลยเปิดโอกาสให้เลยแต่พระพุทธเจ้าจะไม่มีขอโทษสาวกเพราะอะไรเพราะท่านมีความบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่เรียกว่าไม่ต้องมีการขอโทษขอโพยและขออภัยเนี่ยนะเพราะมีอยู่อย่างเดียวถ้ายังสงสัยในพระองค์ถามได้เลยนจงถามเถอะอย่าลำบากใจในภายหลังอย่าเสียใจในภายหลังนะหรือไม่เอาสงสัยในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะสงสัยในพระธรรมอะไรบ้างเนี่ยนะสงสัยในอริยมรรคอริยผลในพระนิพพานไหม หรือสงสัยในพระรีเจ้าทั้งหลายสงสัยในเรื่องของพระโสดาบันพระสก า, าคามีพระอนาคามีหรือพระรหันหรือสงสัยในไตรสิกขาอธิสีณาธิจิตอธิปัญญาที่จะนำออกจากพวกไหมเพราะฉะนั้นอย่าต้องหนักใจในตอนท้ายอย่าต้องลำบากใจในตอนหลังเลยสงสัยถามได้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดโอกาสโดยการตรัสเช่นนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่นี่นะ นิ่งนี่ไม่ได้นิ่งแบบแหม้ไม่กล้าถามสงสารพระองค์จะปรินิพานแล้วกลัวพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยบอกไม่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นท่านนิ่งเพราะอะไรเพราะความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติไม่มีแก่พระภิกษุทั้งห้าร้อยเหล่านั้นแม้แต่รูปเดียวพระองค์ก็เปิดโอกาสเป็นครั้งที่สองอีกซึ่งพระองค์บอกว่า ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าหากว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติจะเพึ่งมีแก่พิสษุ์แม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแลว้วเรายังไม่อาจจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เฉพาะพระพักตร์ตอนหน้าก็ยังไม่กล้าถามอย่าต้องเสียใจอย่างนี้เลยแม้ครั้งที่สมพระองค์ก็เปิดโอกาสให้อีกประกาศอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่ส สังเกตดูศาสนานี้เนี่ยจะทําอะไรอย่างน้อยย้ําอยู่สามครั้งนะโมก็สามครั้งสาระก็สามครั้งส่วนใหญ่เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยจะต้องมีการพูดถึงสามครั้งว่าไม่เบลอนะไม่เผลอครั้งที่หนึ่งอาจจะเผลอครั้งที่สองอาจจะเบลอเป็นต้นเพราะครั้งที่สามต้องแน่นอนนะต้องถือว่าไอ้ที่หลับก็ต้องตื่นกันละว่างั้นเนี๋ยจะต้องไม่มีการพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเปิดโอกาสให้ ครั้งที่สามประกาศแบบนั้นอีกว่าภิกษุทั้งหลายความเครือบแคลงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติจะพึ่งมีแก่พิสูจน์แม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าภาษาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเราก็ไม่อาจจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระพักหรือเฉพาะหน้าพระองค์ไม่กล้าเลยอย่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเสียใจอย่างนั้นนะทีนี้สามครั้งไปแล้วใช่ไหม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบางทีพวกเธอไม่ถามแม้เพราะความเคารพในภาษาสดาอาจจะเคารพหรือเกิดเคารพแปล ว, ว่าเกรงใจเกรงใจจริงๆไม่กล้าถามแห ม, พ ร, มพระองค์แหมพระผู้เจ้าขนาดนี้ใครจะไปกล้าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียก เ, เกรงใจว่าไม่กล้าเพราะยำเกรงสุดๆเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นแม้ภิกษุผู้เป็นสหายก็จงบอกแก่ภิกษุผู้เป็นสหายเถอะถ้ามีเพื่อนนะฝากเพื่อนถามก็ได้ไม่ต้องถามเองฝากเพื่อนเขาถามถ้าไม่กล้าถามเองเฉพาะหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอย่างเดียวเงียบเนี่ยนะไม่กล้าตอบไปเลย ซึ่งที่ท่านเพราะท่านไม่มีความสงสัยจริงๆทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีแม้แต่องค์เดียวที่สงสัยซึ่งท่านท่านนนก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรย ร, รย์เนี่ยกรอัจฉริยะอัจฉริยะแปลว่าน่าอัศจรรย์มากอัภูตธรรมไม่เคยมีมาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบปะเจอเจ อ, เจอขณะนี้ว่างั้นเถอะ